ดิฉันขอสละของนี้แก่สง์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพิสมณีผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนของที่เธอสละให้ด้วยยติกรมมวาจาว่าแม่เจ้าขอทรงจงฟังข้าพเจ้าของนี้ของพิสมณีชื่อนี้เป็นอิสระีเธอสละแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืนของนี้ให้แก่พิสมณีชื่อนี้สละแก่คณะ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 โอมุตราสงชฉวยงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึนแสดงอาบัติดิฉันคืนของนี้ให้แก่แม่เจ้า